คำคําสอนพระเจจาวก็มีบทอยู่แล้วมีบทบอกชาติอยู่แล้ววะ่ะเอหิปัสสิโกเอหิปัสสิโกเห็นโดยจะเอหิจงดูเ อ, เอหิเอหิอันคล้ายๆกับนี่นี่สิ่งนี้มีอยู่ตรงนี้คล้ายๆกับว่างนั้นเอาเอหิเอหิเห็นเฉพาะให้หไม่เห็นเฉพาะในที่นั้น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 อุบาสจบอุบาสมีสินอุบาสิกามีสินห้าสินแปดสามเนินสินสิทธิกสุตสินสองรอยยี่สิบด ล, ลักลั่นกันเป็นตามชา้นตามภูมิถ้า <c oughs> หากว่าไม่มีหนังนี่ไม่มีปวีนนขึ้นหนังเป็นเครื่องรถตัดเสร็จแล้วคนเราจะกรจะ จ, จ, ะจายคือไม่มีขอบเขตประพฤตนตนไม่มีขอบ ไม่มีศีลเป็นเครื่องร้อยรัดแล้วแล้วปฏิบัติไม่มีขอบเขตเลยคนเราทังเคยอธิบายแล้วอ่ะจะดีได้ก็เพราะพระวินัยหหรือศีลเป็นเครื่องวัดไม่มีศีลไม่ไม่มีพระวิ น, นัยทั้งเครื่องวัดเสียเลยคนเราก็จะไม่มีไม่มีคุณค่าอะไร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 มีสีนเว้นเครื่องรอยรัดคือสินนั่นลอยลัดไว้ไม่ให้กระจัดกระจายอยู่ในขอบเขตของสีเช่นงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดนิชาจาร์อะไรในเรื่องเห่านี้อยู่ในขอบเขตคนเรายังค่อยสูงดีกว่ากัดนี้สูงต่ำเลื่มล้ามกัน คุณงามความดีอันนี้แท้แท้นี้จึงเอาพรอินในเป็นสายรัดท่านหลวพมาเรี่ยมันเพราะพระป ร, ะประมาตเป็นพื้นหนังพระประมาตคืออริธรรมที่เราพากันเรียกว่าอริธรรมอพิธรรมรวมรวบรวมจิตเจตสิกรูปีภา รวมมึงมีสี่ 4, จิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งรูปหนึ่งนิพพานแสดงทั้งเรื่องจิตทังเรื่องเจตสิกทั้งเรื่อ ง, 4, งรูงปทังเรื่องนิพพานก็คือตัวของเราไม่ติไม่ใช่ที่อื่นรู ป, ปรรคือตัวของเราจิตก็คือตัวของเราเจตสิกรูปคือตัวของเราตัวของเราเนี่ะที่เอาหนังคืออภิธรรมได้เก่จิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ย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 แห่งพิจารณาทั้งเรื่องสัจธรรมเอาสัจธรรมมาเป็นอารมณ์ึงจะได้เห็นธรรมะจึงจะได้เห็นของจริงความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นทุกข์ความเศร้าโศกเสียระใจอะไราอราวรณ์ก็เป็นทุกข์ทุกทั้งหลายเหล่านี้แหละ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 คือยอมแพนนี่ถ้าหากว่าเราพอใจในทุกขก็เรียกว่าคนพ่ายแพ้อีกเหมือนกันแต่ในที่นี้ถ้าไมา่ให้เกลียดทุกแต่ว่าไม่ให้พอใจในทุกแต่ให้เอาทุกมาพิจารณาให้มารู้เท่าทงเงื่อนทุกรู้เท่าเข้าใจทงเงื่อนทุก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 ทางในบําบัดทุกขิจฐานเนี่ยทุกยิ่งกว่าเกา่าทางที่พระพุทธจเจ้าตรัสสอนให้อบหลงชินธรรมก็เพื่อบําบัดทุกอย่านั้นคือให้เข้าไปเห็นทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นเข้าใจทุกข์ทั้งหลายนั้นต่างเป็นจริงไม่หลงทุกข์จึงไม่เดือดร้อนในเรื่องทุกข์ถ้าหลงทุกข์แล้วก็เดือดร้อนในเรื่องทุก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 อันโลกส่วนนั้นนั้นไม่มีก็ค่อยได้ความสุขความสบายบ้างเรียวกว่าเป็นลาบของคนนั้นเหมือนกันแต่โลกอโลคายาปรมาราภาคําว่าเป็นลาบอย่างยิ่งไม่ใช่ลาบอย่างนั้นอันนั้นเป็นลาบธรรมดาคือไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ันเป็นลาบธรรมดาไม่ใช่ลาบอย่างยิ่งคือการได้อย่างยิ่ง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 อนาถิธาสี น, น, น, นำไปเลยมีคำโครงของสมเด็จมนรวัตรรันรัตน์ธรรมรังสรรรีสรรรีวัชโสมนัดท่านพูดดีดีปวดตนอวดดินพูดหยาบหยาที่เดียวละ่ะถือตนถือดินท่านบอกไม่ได้ว่าอวดถือตนคือถือก้อนที่ดิน ก้อนดินแต่ละก้อนละก้อนคนเอาถือตนถือดินอวดต้นอวดดินอวดหินอวดขี้อวดดีแก่ตายอวดสบายแก่โลกนั่งโงกงบแก่เหลวแหลว่าตนรูปตนพื้นผิวจะดียังไงท่านวะน่าฟังน่าฟังท่านเป็นคำวมาฐานคำว่าฐานเก่าแก่ผู้ฝาจางคำว่าฐาน ในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าท่านก็พูดเหมือนกันท่านมาพูดให้ชัดลงไปอีกกุมภูมังกายจะไปมังวิริตต ว, วาพระองค์ตรัสเทศนาว่าใครจะมารู้จักซึ่งหม้อคือตัวอัตภาพนี้กุมภูปะมังกายของเราในเหมือนอุปมาเปรียบมันกับหมอ้อคือหม้อดินเองธรรมดาหม้อดินมีแค่หม้อดินที่คนปั้นมาแล้วเป็นรูปงกาย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 ฐานที่ ส, อ, สญญจจองสัญญาคือการจดจำมันจำดีก็เกินคำว่าสัญญาจำแม่นก็เกินอารมใ์ใดที่มันนานแส่นานล่วงรับไนแล้วเลยไปแล้วทั้งยี่สิบปีก็ช่างมันมันเอามายึดเอามาจดจ่อมาจำอย่างนั้นแหละไม่ถูก อ, อันสัญญาที่ล่วงเลยไปแล้วเพยังชั่วหน่อย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 มารีจีลูประมาณสัญญาสัญญาเปลี่ยมมันก็พันยับแดดแ ด, ดร้อนๆส ก, กล้าเราเดินไปในทุง่งมองดูข้างหน้าเห็นเป็นตัวยิบยับยิบยับเพราะเข้าไปถึงหายไปเพราะเข้าไปถึงต้นหายไปเห็นในตาตัวข้างหน้านู้สัญญาความจําไม้หมนันนี่ข อ, อเชิญเดียกับ เป็นไมเป็นไอเหมือนกับพยายามเตกจำนี่แล้วก็ไปจำโด น, นจำนั่นแหละก็ไปจำโด น, นมันไม่เอาเรื่องเอาราวจราจำแล้วก็หายไปวางไปทิ้งไปจำไปแล้วทิ้งไปแล้วตัวประธานเข้าไปแทนที่ตัวสัญญามันวางเละตัวประธานเข้าไปแทนที่ถ้าหาเราตามเขาไปดูตัวสัญญาอ๋อมันทิ้งน่ะนี่มันจะไปตามมันทำไม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 แันยาตัว น, นี้คล้ายๆกันคล้ายๆกับไอ้ลิงที่มันจะไปตามต้นไม้น่งมันต้องวาไปจับกิ่งนี้แล้วก่อนข้อไอ้เสกิ่งหนาเพราะจับกิ่งหน้าได้มัดแล้ววางวางมือนี่แล้วก็ไปข้อจะกิ่งหน้าต่อไปมือขวาจับกิ่งนี่ไว้แล้ว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 แต่ว่าเรียนส่งก็ไม่ได้อีกเลยถ้าเรียนไปตามตำ้ราลาแล้วส่งไปไม่ได้เรื่องอีกเลยเรียนเข้ามาตรงนี้มาดูตรงที่มันเป็นอยู่พทุทจิใจของเราเให้เข้ามาตรงนี้ขณะที่จิตของเราที่มันเกิดควมรู้สึกครั้งแรกนั่นแหละพอกระทบอารมณ์อะไรขึ้นมาทางอยายตนะใดๆก็ตามพักเลมา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 ที่พระองค์ตรัสเทศนาไว้ในคำพีต่างๆมากมายที่โบราณอาจานเทคโนกนด 80,000 จี่พันธันธมขันล้วนจด้จิชี้เข้ามาที่ตัวของเราแล้วก็จุดหมายปลายทางคือสอนให้เราสำลักมากมายพูดแฝงมากมายต้องหลายอธิบายมากมายต้องหลายแต่ตรงที่เอาจริงๆอง่างองค์เอาอันเดียวนิดเดียว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 จะเรียกว่าเพิ่มโรคขึ้นยาแถลงโลกคนนั้นอาจจะโลกจะไม่หายบางทีอาจจะถึงกับตายก็ได้คือรักษาต้นไม่ได้เกิดความเดือดร้อนหวนวาดเกิดลังเลต้องใส่ในการปฏิบัติเกิดลังเลต้องใส่ในทำกรรมาสาวเบอร์เจ้าเลยเกิดมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิ เรียกว่าตายตายจากสัจธรรมคําสอนของจิตขั้สองของพุทธเจ้ามีที่บายเนื้อความของธรรมะมาในวันนี้นหะพอจะสรุปรวมได้ว่าทำคำสอนอพุทธเจ้วทั้งหมดสอนซี้เข้ามาที่ในตัวของเราไม่ได้ชี้ไปที่ที่อื่นผู้ฝึก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 มีในแนวโดย ท, ที่อธิบายมานี้